เป็นวันที่สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้มาวัดเพื่อมาบำเพ็ญมาสร้างบุญบรารมีที่เป็นสมบัติที่แท้จริงของของจิตใจของพวกเราทุกคนเป็นสมบัติที่จะติดไปกับใจของเราตั้งแต่ เริ่มต้นสะสมบุญบรารมีที่มาคือในปัจจุบันนี้และจะอยู่ควบคู่ไปกับจิตใจต่อไปในอนาคตถึงแม้จะตายจากโลกนี้ไปแล้วบุญบรารมีก็สามารถนำเอาติดตัวไปได้บุญบรารมีจะเป็นผู้ที่คอยสนับสนุน ส่งเสริมให้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญมีแต่ความก้าวหน้าพระพุทธเจ้าจึงทรงปัญญัตวันรพระให้ศรัทธา ญ, ญาติโยมทั้งหลายได้ปล่อยวางภารกิจการงานเพื่อจะได้มาสะสมบุญบารมีนี้การมาวัดเพื่อสะสมบุญบารมีก็เหมือนกับการไป ที่ธนาคารเพื่อนำเอาสมบัติ <c oughs> ที่มีค่าต่างๆไปฝากไปเก็บไว้เช่นเอาเงินเอาทองเอาเพชรเนึ่งจินดาต่างๆเอาไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัยเมื่อมีความต้องการก็จะได้เรียกเอามาใช้ได้ <c oughs> บุญบารมีที่เราสะสมกันในวันนี้ก็เป็นเช่นนั้น จะเป็นสมบัติที่อยู่ในที่ปลอดภัยและจะเรียกใช้ได้ในอย่างที่เรามีความต้องการเช่นเวลาที่ไปเกิดในภพใหม่ชาติใหม่บุญบารมีนี้ก็จะส่งให้เราไปเกิดในสุคติคือไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยเจา้า ถ้าเราไม่ได้สะสมบุญบารมีเราก็จะไม่มีสิ่งที่คอยส่งให้เราไปเกิดในที่ดีได้เราก็ต้องไปเกิดในอวบัยดังนั้นจึงขอให้เราเพียรสร้างบุญบรารมีกันอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นทางบารมีศีลบารมี เนคขมะบาลมีเมตตาบาลมีปัญญาบาลมีอุเบกขาบาลมีอธิษฐานบาลมีสัจจะบาลมีวิริยะบาลมีและขันติบาลมีรวมกันก็เป็นสิบบาลมีด้วยกันเป็นบาลมีที่พระพุทธเจ้า ได้ทรงบำเพ็ญมาเป็นเวลาอันยาวนานจนในที่สุดก็ส่งผลให้ได้บรรลุเป็นพระอรหันตตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่กราบว่า้บูชาของพวกเรามาจนถึงทุกวันนี้พวกเราก็จะไปในทางเดียวกับที่พระพุทธเจ้า ได้สรงดำเนินไปถ้าเราหมั่นบำเพ็ญบารมีทั้งสิบนี้อยู่อย่างสม่ำเสมอขอให้เห็นคุณค่าของบารมีนี้ว่ามีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสารเสริญสุขต่างๆที่สัตว์โลกทั้งหลาย มีความชื่นชมมีความอยากได้มาเป็นสมบัติไว้ครอบครองขอให้เรารู้ว่ามันเป็นเพียงสมบัติชั่วคราวเท่านั้นไม่จรรงถาวร อ, อยู่กับโลกนี้เมื่อใจจากโลกนี้ไปก็จะไม่สามารถนำเอาราบยศสารเสริญสุขต่างๆ ติดตัวไปได้สิ่งที่จะติดตัวไปได้ก็คือทรัพย์ภายในเครือบุญบรารมีนี่เองถ้าเราไม่บำเพ็ญบุญบรารมีเวลาที่เราเดินทางจากโลกนี้ไปเราจะไม่มีอะไรติดไม้ติดมือไปไม่มีอะไรติดไปกับใจก็จะต้องไปเกิดในที่ต่า ไปเกิดในที่มีแต่ความทุกข์มีแต่ความเสื่อมเสียมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความยากลาบากจึงขอให้เราหมั่นสร้างบุญบรารมีดังที่ท่านทั้งหลายได้มาบาเพ็ญกันไว้ในวันนี้เช่นทานบรารมีคือการให้ไม่ว่าจะให้วัตถุเข้าของเงินทองต่างๆ หรือให้วิชาความรู้ที่เรียกว่าวิทยาทานหรือให้อภัยคือไม่ถืออาฆาตพยาบาทจองเวงจองกรรมถือโทษเกรตเคืองต่อผู้ที่สร้างความเสียหายให้กับเราเรียกว่าอาภัยทานหรือให้ธรรมะคือนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่เราได้ยินได้ฟังที่เราได้ปฏิบัติจนเห็นผลแล้วว่ามีคุณประโยชน์กับจิตใจเพราะทำให้จิตใจของเราสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆเราก็นำเอาไปสอนผู้อื่นต่อไปก็เรียกว่าเป็นธรรมทานนี่คือทานบ า, าลี ที่เราสามารถบำเพ็ญกันได้อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราสามารถให้ทานได้มาวัดก็ให้ทานได้ไปอยู่ข้างนอกก็ให้ทานได้เช่นเห็นขอทานเขาอดอยากขาดแคลนก็ให้ทานเขาไปอย่างนี้เรียกว่าทานบา ร, รมีบา ร, รมีข้อที่สองก็คือศีลบา ร, รมี คือการไม่เบียดเบียนผู้อื่นตั้งอยู่ในความสงบกายวาจาคือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดงดเท็จและไม่เสพสุรายาเมานี่เป็นการสร้างศีลบารมีถ้าสามารถสร้างบารมีทั้งสองข้อนี้ได้คือทานบารมี และศีลบารมีแล้วเมื่อตายไปย่อมได้ไปเกิดในสุคติอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเทพในชั้นต่างๆหรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องมีบารมีทั้งสองส่วนนี้คือทานบารมีและศีลบารมีถ้าต้องการที่จะไปสูงกว่านั้นคือไปสู่ขั้นโพรหมโลก ก็ต้องบำเพ็ญบารมีข้อที่สามควบคู่ไปด้วยก็คือเนปธรรมะบารมีคือการละเว้นจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายคือไม่หาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นการดื่มการกินการดูการฟังการเที่ยวเต่ตามสถานที่ต่างๆ หรือหลับนอนกับคนที่เรารักคนที่เราชอบต้องละเว้นทั้งหมดแล้วหันมาหาความสุขทางด้านจิตใจคือทำจิตใจให้สงบด้วยการบำเพ็ญสมถะและวิปะสะัสสมถะภาวนาคือทำจิตใจให้สงบไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามเช่นจะสวดมนต์ไปก็ได้ จะบริกรรมพุโทโธไปก็ได้จะกำหนดดูลมหายใจเข้าออกไปก็ได้โดยให้มีสติควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องต่างๆให้อยู่กับงานที่เราให้ทาถ้าสวดมนต์ก็สวดอย่างเดียวอย่าไปคิดเรื่องอะไรถ้าบริกรรมพุโทโธก็บริกรรมพุโทโธอย่างเดียวอย่าไปคิดอะไรถ้าดูลมหายใจเข้าออก ก็ดูลงหายใจอย่างเดียวอย่าไปคิดเรื่องอะไรแล้วจะทำให้จิตใจสงบตัวลงได้เมื่อสงบแล้วก็จะประสบกับความสุขมีความสบายใจมีความนิ่งมีความสงบมีความอิ่มมีความพอถ้าตายไปก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรมหมโลกแล้วถ้า ถ้าอยากจะอยากจะขึ้นไปสูงกว่านั้นอีกคืออยากจะไปสู่มรรคผลนิพพานได้ไปเป็นพระอริยเจ้าขั้นต่างๆ ต, ตั้งแต่ขั้นโสดาบันขึ้นไปจนถึงขั้นพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าก็ต้องบำเพ็ญ บารมีอีกข้อหนึ่งก็คือปัญญาบารมีคือต้องศึกษาทำความเข้าใจถึงสภาวธรรมทั้งหลายที่จิตใจมาเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราก็ดีร่างกายของคนอื่นก็ดีสิ่งของต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ก็ดีต้องรู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน ไม่จีรังถาวรเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วต้องดับไปเมื่อรู้แล้วก็จะได้ไม่ยึดไม่ติดก็จะปล่อยวางเมื่อปล่อยวางจิตใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายจิตใจก็จะบรรลุเป็นพระอาริยบุคคลขั้นต่างๆจนถึงขั้นสูงสุดได้นี่ก็คือปัญญาบารมี ที่เกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่ท่านได้กำลังฟังอยู่ในวันนี้ถ้าฟังแล้วเกิดความเข้าใจก็จะสามารถนำเอาไปปฏิบัติได้สามารถเอาไปตัดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆได้ตัดได้แล้วจิตใจก็จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายกับเรื่องอะไรทั้งสิ้น พอเห็นโทษของการยึดติดว่าจะสร้างความทุกข์สร้างความทรมานใจให้กับตนถ้าปล่อยวางได้แล้วใจจะสบายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามจะไม่สร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้กับใจได้เลยนี่คือปัญญาบารเมียเกิดจากการได้ยินได้ฟัง และเกิดจากการนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนี้ไปพิจารณาอยู่อย่างเนืองไปคิดอยู่เรื่อยๆเช่นคิดว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพลากจากกาันถ้าคิดได้ตอนไหนตอนนั้นก็จะดับความโลภดับความโกรธ ด, ดับความหลงได้ถ้าไม่ได้คิดก็จะถูกความโลภความโกรธความหลงหลอก ให้โลภให้โกรธ ใ, ให้หลงได้ถ้าคิดได้อย่างสม่ำเสมอตลอดเวลาก็เรียกว่าสามารถป้องกันไม่ให้ความโลภความโกรธความหลงมาหลอกมาฉุดละให้จิตใจไปโลภไปโกรธ ไ, ไปหลงได้ถ้าไม่โลภไม่โกรธ ไ, ไม่หลงแล้วก็จะไม่มีความทุกข์ใจ ความทุกข์ใจนี้เกิดจากความโลภความโกรธความหลงเท่านั้นไม่ได้เกิดจากอะไรเลยดังนั้นเราต้องพยายามเจริญปัญญาด้วยการภาวนาคือทาจิตใจให้สงบในเบื้องต้นก่อนเพราะถ้าจิตไม่สงบแล้วจะไม่สามารถพิจารณาความเกิดแก่เจ็บตายได้อย่างต่อเนื่อง ก็กิเลจะดึงให้ไปคิดเรื่องอื่นให้คิดไปเรื่องงานเรื่องการเรื่องของคนนั้นเรื่องของคนนี้เลยลืมเรื่องสำคัญไปคือเรื่องแก่เจ็บตายพอลืมเรื่องแก่เจ็บตายไปก็จะโลภจะโกรธจะหลงจะอยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วก็ต้องทุกข์วุ่นวายไม่รู้จักจบจากสิ้นแต่ถ้าเราทําจิตใจให้สงบได้แล้ว จิตใจจะนิ่งจะไม่ถูกดิเละความโลภความโกรธความหลงฉุดไปให้ไปคิดเรื่องอื่นเราก็บังคับควบคุมให้คิดแต่เรื่องที่เป็นปัญญาเช่นเรื่องแก่เจ็บตายได้อย่างต่อเนื่องเราก็จะมีปัญญาไว้คอยคุ้มครองใจของเราไม่ให้ดิเลยคือความโลภความโกรธความหลง มาฉุดลากให้ไปทุกข์กับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนี้พุ่นวายกับเรื่องนั้นพุ่นวายกับเรื่องนี้นีนนน่คือการบางเพ็ญปัญญาบามีเป็นอย่างนี้ในเบื้องต้นก็ต้องฟังจากผู้รู้ก่อนรู้ศึกษาจากหนังสือธรรมะต่างๆแล้วก็นำเอาไปไข้กวนพิจารณาอยู่เรื่อยๆเสร็จแล้วก็นำเอาไปบงเพ็ญ จิตตะภาวนาทําจิตใจให้สงบในเบื้องต้นด้วยด้วยการบริกรรมพุทโธก็ดีด้วยการสวดมนต์ก็ดีด้วยการดูลมหายใจเข้าออกก็ดีพยายามทําอย่างต่อเนื่องจนจิตสงบลงเมื่อจิตสงบแล้วหลังจากที่ออกจากความสงบก็กจเจริญปัญญาต่อพิจารณาเรื่อง ความแก่ความเจ็บความตายเรื่องการพลาดพจากสิ่งต่างๆทั้งหลายพิจารณาไปเรื่อยๆจิตก็จะมีปัญญาไวคุ้มครองป้องกันไม่ให้ไปทุกข์ไปวุ่นวายกับเรื่องต่างๆนี่คือปัญญาบารามีถ้าเราต้องการที่จะให้ <c oughs> มีปัญญาบาลามีเราก็ต้องมี อธิษฐานบา ร, รมีคือเราต้องมีความตั้งใจตั้งใจที่จะปฏิบัติตั้งใจที่จะศึกษาพระธรรมคาสอนของพระ พ, พุทธเจ้าแล้วนําไปปฏิบัติเช่นวันนี้เราก็มีอธิษฐานบา ร, รมีเพราะก่อนที่เราจะมาวัดเราก็ต้องใจเราก็ต้องตั้งใจไว้ล่วงหน้าก่อนว่าวันนี้จะมาวัดนี่คือคําว่า คำอธิษฐานแปลว่าความตั้งใจคำอธิษฐานนี่ไม่ได้แปลว่าเป็นการขอเช่นเราขอพระขอเป็นอย่างนั้นขอเป็นอย่างนี้ขอให้ได้ไปสวรรค์ขอให้ได้ไปเกิดเป็นมหาเศรษฐีอย่างนี้ไม่ใช่เป็นอธิษฐานแต่เป็นการขอการอธิษฐานนี้ต้องเป็นการตั้งใจที่จะทํา สิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นตั้งใจจะมาวัดตั้งใจจะฟังเทศฟังธรรมตั้งใจจะภาวนาทำจิตใจให้สงบตั้งใจที่จะเจริญปัญญาพิจารณาเรื่องความแก่ความเจ็บความตายอย่างต่อเนื่องอย่างนี้ถึงเรียกว่าเป็นอธิษฐานบามีถ้าเรามีความตั้งใจแล้วเราก็ต้องมีสัจจะบามีด้วย เราต้องมีความจริงใจกับความตั้งใจของเราอย่ากโกหกหลอกตัวเราเองตั้งใจว่าจะมาวัดพอถึงเวลาก็ไม่มาขอนอนต่อขี้เกียจอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่มีสัจจะมีอธิษฐานบา ร, รมีแต่ไม่มีสัจจะก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรตั้งใจจะทำอะไรก็ทำไปไม่ตลอดลอดฝั่ง เช่นปีใหม่คนส่วนใหญ่มักจะตั้งใจทำความดีกันเช่นเคยสูบบุหรี่ก็ตั้งใจจะเลิกสูบบุหรี่ก็เลิกได้เพียงสองสามวันก็หมดกำลังก็ต้องกลับมาสูบอีกอย่างนี้ก็เพราะว่าไม่มีสัจจะบา ร, รมีถ้ามีสัจจะบา ร, รมีแล้วเมื่อตั้งใจจะทำอะไรแล้วก็จะต้องทำให้ได้ถึงแม้จะต้องตายไปก็ยอมเสียชีวิต อย่างนี้ถึงเรียกว่ามีสัจจะบาลีเช่นพระพุทธเจ้าที่ทรงตั้งสัจจะอธิษฐานในขณะที่จะเจริญจเจริญธรรมจะในขณะที่นั่งอยู่ใต้ต้นโพก่อนที่จะตัดสรูปทรงตั้งสัจจะอธิษฐานว่าถ้าไม่ได้ตัดสรูปก็จะไม่ลุกจากที่นั่งนี้ถึงแม้เลือดในร่างกายจะเหือดแห้งหายไปหมด ก็จะยอมให้ร่างกายนี้ตายไปถ้ายังไม่ตัดสริรุก็จะไม่รู้จักที่นั่งนี้เป็นอันขาดนี่คื อ, อสัจจะอธิษฐานของพระพุทธเจ้าเป็นเหตุที่ทำให้พระพุทธเจ้าได้ตัดสรรุเป็นพระอาหารหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาได้พวกเราก็สามารถเป็นได้เหมือนกันถ้าเรามีสัจจะ มีอธิษฐานบารมีตั้งใจจะทำบุญทุกภพทุกชาติทุกเวลานาทีที่มีโอกาสที่จะทำได้แล้วก็ทำตามที่ได้ตั้งใจไว้ถ้าอย่างนี้แล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะได้บรรลุเป็นพระอารหันต์หรือไม่เช่นนั้นก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนในในเวลาอันไม่ไกล ในอนาคตที่ไม่ไกลนี้อย่างแน่นอนจึงขอให้เราสร้างอธิษฐานบารมีคือตั้งใจทำดีตั้งใจละบาตั้งใจชําระความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจาก จ, จิตใจให้ถือเ ป, เป็นเป้าหมายของชีวิตให้ถือเป็นงานประจำชีวิตจิตใจของตนเองแล้วก็ให้มีสัจจะ คือให้มีความจริงใจที่จะทำตามที่ได้ตั้งใจไว้แล้วรับรองได้ว่าไม่นานก็จะได้พบกับสิ่งที่เลิ่ที่ประเสริฐอย่างแน่นอนนอกจากอธิษฐานและสัจจะบารมีแล้วบารมีที่ต้องบำเพ็นต่อก็คือวิริยะบารมีความภาคเพียรเพราะเมื่อเราตั้งใจแล้วมีสัจจะแล้วเราก็ต้องทำ ก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรทำเช่นขยันมาวัดอยู่เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอขยันทำบุญให้ทานขยันรักษาศีลขยันปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิจเจริญปัญญาอย่างนี้เรียกว่าวิริยะบารมีถ้ามีความตั้งใจมีสัจจะแต่ทำแบบค่อยเป็นค่อยไปทำแบบไม่ค่อยอยากจะทำทำแบบขี้เกียจ ทำไปนานสักเท่าไหร่ก็จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางเพราะว่าไม่มีความปยันหมั่นเพียรต้องมีความขยัหมั่นเพียรต้องพยายามทำอยู่เรื่อยๆหนักเอาเบาสู้ไม่ท้อถอยไม่หยุดไม่หยอ่อนต้องทาจนกวานานั้นจะเสร็จถึงจะหยุดทำไม่ใช่ทำทำไปพัก ด, ดึงแล้วก็หยุดพักสัก สักสองสามชั่วโมงแล้วก็ทำไปอีกสักสองสามนาทีแล้วก็หยุดพักไปอีกสองสามชั่วโมงอย่างนี้ก็จะไปไม่ถึงไหนเพราะไม่มีวิริยะบารมีนั่นเองนอกจากวิริรยะบารมีแล้วก็ต้องมีขันติบาลมีความอดทนด้วยเพราะการปฏิบัติธรรมนี้เป็นสิ่งที่ยากเหมือนเข็นครกขึ้นภูเขา ต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความพยายามมากถ้าไม่อดทนพอเจออะไรที่ยากๆสันหน่อยทําได้เดียวเดียวก็เลิกทำแล้วเช่นนั่งทําสมาธิสวดมนต์ได้ไม่ถึงห้านาทีก็เบื่อแล้วไม่อยากจะสวดแล้วก็เลิกสวดอย่างนี้แสดงว่าไม่มีความอดทนห ร, ห, รหรือนั่งไปแล้วเกิดอาการเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ทนไม่ไหว ก็รูกจากการนั่งุูมจากการทำสมาธิอย่างนี้ก็จะไม่ได้ผลขึ้นมาแต่ถ้ามีความอดทนแล้วจะเจ็บอย่างไรก็ไม่สนใจก็ปล่อยให้มันเจ็บไปมันเจ็บได้เดี๋ยวมันก็หายได้ไม่มีอะไรจีรังถาวรแม้แต่ความเจ็บปวดของร่างกายมันก็ไม่จีรังถาวรปล่อยมันเจ็บไปเดี๋ยวมันก็หยุดเดี๋ยวมันก็หายของมันเองขอให้เรา มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจกับความเจ็บปวดแล้วเดี๋ยวเราก็จะผ่านความเจ็บปวดนี้ไปได้ไม่ว่าใครก็ตามท่านั่งฝึกทำสมาธิแล้วจะต้องเจอความเจ็บปวดทางร่างกายทุกค น, คนคนที่มีความอดทนก็จะสามารถผ่านไปได้คนที่ไม่มีความอดทนก็จะติดอยู่ตรงนั้นนั่งสมาธิมากี่ปีก็ไปไม่ถึงไหน พอเจอความเจ็บปวดหน่อยก็ยอมแพ้ยก่งขาวกลับบ้าน mm hmm. ก็เลยไปไม่ถึงไหนสักที mm hmm. นี่คือการบำเพ็ญบารมีทั้งสิบที่พวกเราควรที่จะหมั่นบำเพ็ญกันอย่างสม่ำเสมอ mm hmm. เพื่อที่จะพัฒนาชีวิตจิตใจของเราให้เจริญขึ้นให้สูงขึ้นให้ดีขึ้น ให้มีความสุขมากขึ้นให้อยู่ห่างไกลจากความทุกข์ทั้งหลายให้ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่รอเราอยู่ที่พระนิพพานเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าปรารถนามากที่สุดในการประกาศพระธรรมธรรสอนของของพระ อ, องค์ท่านท่านไม่ต้องการอะไรจากเราไม่ต้องการดอกไม้ธูปเทียน ไม่ต้องการคํายกย่องแ ส, สรเหลือเชื่อเยินยอไม่ต้องการให้เราไปเคารพนับถือต้องการเพียงอย่างเดียวต้องการให้พวกเราปฏิบัติให้พวกเราบูชาด้วยการปฏิบัติคือการศึกษาฟังเทศฟังธรรมแล้วก็นําเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติไปเรื่อยๆ จนกว่าจะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางถ้าตายใดยังไม่ถึงพระนิพพานยังไม่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็จะบำเพ็ญไปเรื่อยๆจะปฏิบัติไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นชาตินี้หรือชาติอื่นๆที่จะตามมาต่อไปถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์มีโอกาสได้ปฏิบัติก็จะปฏิบัติไปเรื่อยๆจะไม่ให้ความสาคัญต่อสิ่งอย่างอื่น มากต่อการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะสิ่งอื่นๆในโลกนี้ไม่มีคุณค่ากับจิตใจอย่างแท้จริงไม่ได้ช่วยทำให้จิตใ จ, จเจริญขึ้นสูงขึ้นไม่ได้ทำให้จิตใจพ้นจากความทุกข์ได้มีแต่การปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถทำให้เราุด้นจาก ความทุกข์ทั้งหลายได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นจึงขอให้เราให้ความสําคัญต่อวันพระอย่าปล่อยให้วันพระนี้ผ่านไปโดยไม่ได้สร้างบุญบารมีถ้าวันพระไม่สะดวกที่จะบังเพลนก็ขอให้เราใช้วันเสาร์หรือวันอาทิตย์เป็นวันพระแทนเพราะในสมัยปัจจุบัน นีวันพระไม่ได้ตรงกับวันหยุดทำงานวันเราก็ต้องเลื่อนวันพระไปเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เพราะเป็นวันที่เราไม่ต้องไปทำงานเป็นวันที่เรามีเวลาว่างที่เราจะมาที่วัดมาสร้างบุญบา ร, รมีได้หรือถ้าเรามีความสามารถที่จะสร้างบุญบา ร, รมีได้ทุกวันก็ขอให้เราสร้างไป เพราะถ้าเราเรอเพียงแต่วันพระหรือวันเสาร์อาทิตย์ก็จะไม่เพียงพอหรือจะล่าช้ากว่าจะไปถึงพระนิพานได้ก็ต้องเวียนไายตายเกิดไปอีกหลายรอบด้วยกันแต่ถ้าเราบำเพ็ญทุกๆวันได้พบชาติต่างๆก็จะน้อยลงไปและดีไม่ดีก็อาจจะหลุดพ้นจากการเวียนไหว ตายเกิดได้ในชาตินี้เลยจึงขอให้เราจงอย่าตั้งอยู่ในความประมาทขอให้เราพิจารณาว่าสังขารคือร่างกายของเรานั้นเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีแต่จะร่วงโรยไปเรื่อยๆและจะหมดไปในที่สุดไม่ช้าก็เร็วดังนั้นในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ อย่าผัดวันประกันพรุ่งควรจะรีบสร้างบุญสร้างกุศลในขณะที่เราสามารถทำได้เพราะอนาคตนี้ไม่แน่นอนอาจจะตายไปในวันพรุ่งนี้ก็ได้หรืออาจจะพิกลพิการทำให้ไม่สามารถสร้างบุญสร้างกุศลได้ถ้าเราทำอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่า เราจะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการบำเพ็ญบุญบารมีทั้งสิบนี้ให้ท่านได้นำไปพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป